ในปฐมนิทะสูตรข้อ39อังคุตระนิกายทัศกาลในบาทหน้าขาดร้อยไปหนึ่งนะจำได้นะหน้า99ครั้งนั้นแหลเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านคิดว่าเราเนี่ยจะเที่ยวไปบินทบาทในกรุงสาวัตถีก็ยังเช้านักอยากกันนั้นเลยเราควรเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเถิด นะคือสมัยนั้นเนี่ยเขาเขาเขาไม่เห็นกันด้วยด้วยทิฐิแต่ก็ไปมาหาสู่กันเนี่ยนะเขาเขาเขาไม่เห็นในเรื่องทิฐิแต่เขาไม่ได้เป็นศัตรูกันทางร่างกายเนี่ยนะเขาก็จะไปนะครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปยังอารามของอันพวกอัญญะเดรธีปริพาชคได้สนทนาปราศัยกับพวกอัญญะเดรธีปริพาชกครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วจึงนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็สมัยนั้นพวก อัญญเดรธีปริภาชกกำลังนั่งประชุมสนทนากันว่า น, นะเขาเขาประชุมกันนะท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านผู้ใดผู้หนึ่งประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ12ปีควรจะเรียกว่าภิกษุผู้นิทัศน์เนี่ยนะผู้นิทัศน์เอถ้าใครบวชได้12ปีเนี่ยก็ชื่อว่านิทัศนแล้วหวังกันเถอะ ท่านภาษาริบุตรก็ไม่ยินดีไม่คัดค้านคํากล่าวของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นครั้นแล้วก็ลุกจากที่นั่งหลีกไปด้วยตั้งใจว่าเราจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธินี้ในสํานักของพระพุทธเจ้านะภาษาริบุตรก็ก็อยากจะฟังไอ้พระพุทธเจ้านี่จะมีความเห็นยังไงถ้าเดรธีพูดอย่างนี้ขึ้นนะทั้งทั้งที่ท่านก็เป็นผู้ที่มีปัญญาขนาดนั้นนะน่าจะเอามามาคิดมาไข่ครวนนะแต่ท่านจะคอยถาม เขาบอกว่าถามว่าทำไมท่านจึงคอยถามก็อบอกว่าคนที่มีตาช่างชั้นดีเนี่ยนะถ้าได้วัตถุมาเนี่ยเขาจะเอามือกะเล่นใช่ไหมเอามือกะไหมหรือคอยไปช่างในเครื่องช่างเลยนะโดยปกตทิทั่วไปเนี่ยภาษารีบุตรหรือพระอ น, นุ์เป็นต้นเนี่ยถ้าอยู่ในพุทธสํานักนะคิดอะไรกันขึ้นมาใขร่ครวนกันขึ้นมาท่านยังไม่ค่อยบางทีอาจจะพิจารณาก่อนแล้วไปสอบแต่โดยมากจะพอคิดคําถามขึ้นก็ไปถามพระพุทธเจ้าเลย เพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่อยากกะนะอยู่กับผู้เรียกว่าผู้เป็นตาช่างของโลกอยู่แล้วนะไปเที่ยวกะเองทําอะไรอย่างนั้นมันก็จะคอยฟังเนื้อความนี้จากพระพุทธเจ้าลําดับนั้นท่านพระสารีบุตรเที่ยวไปบินทบาตในกรงสาวัตถีแล้วกลับจากบินทบาตในเวลาปัตฉาพัดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็กราบทูลเล่าเนื้อความทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าฟัง แล้วภาษาริบด์ก็ถามว่าข้าแต่พร ะ, ะข้าพระองค์นี้ไม่ยินดีไม่คัดค้านคำกล่าวของพวกอัญญะเดรธีปริภาชคเหล่านั้นลุกจากอาสนะหลีกไปด้วยตั้งใจว่าเราจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจหรือหนอเพื่อจะทรงบัญญัติภิกษุนิทัะด้วยเหตุเพียงการนับพรรษาอย่างเดียวในธรรมวิไนนี้นนะ ภิกษุเนี่ยบวชเข้ามาสิปี20สปี30สปีเป็นต้นเนี่ยบัญญัติได้ไหมว่าท่านเหล่านั้นคือนิทะสะเนี่ยนะนิทะสะคือผู้ผู้ไม่ใช่สิบเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรจะไม่มีใครใครอาจเพื่อบัญญัติภิกษุผู้นิทะสะด้วยเหตุเพียงการนับพรรษาอย่างเดียวในธรรมวินัยนี้ะนะคือนับ เ, เฉพาะแค่บวชเข้ามาเนี่ยบวชเข้ามาสิบ20ี่สิปีก็ช่างเถอะเรียกไม่ได้เพราะเหตุแค่บวชอย่างเดียวนะ ไม่ใช่ว่าศักเข้ามานั่งห่มผ้ากล่าวตามวินัยบัญญัติแล้วจะเรียกว่าภิกษุนิทัสสะเรียกอย่างนั้นไม่ได้หรอกดูก่อนสารีบุตรวัตถุแห่งนิทัสสะเจประการนี้เรากระทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศนิทัสสะวัตถุเจประการเป็นฉไนเะนี่ยะดูก่อนสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีฉันทะกล้าในการสมาทานศิกขาและมีความรักอย่างลึกซึ้งในการสมาทานศิกขาต่อไป แตกต่างกันนิดหนึ่งนะตุดนั้นก็บอกว่ามีความรักอย่างแรงกล้าใช่ไหมตรงนี้เขาบอกว่ามีความรักอย่างลึกซึ้งเห็นไหมก็จริงจก็คือสิ่งเดียวกันนะใครศรัทธาพยัญชนะไหนก็รับไปแต่ข้อ2อนี่ต่างกันนะข้อสองสที่ก่อนนี้เป็นการพิจารณาธรรมแต่เฉพาะในนิทัศน์ปฐมนิทัศน์สูตรนี่กล่าวว่ามีฉันทะกล้าในการฟังธรรมและมีความรักอย่างลึกซึ้งในการฟังธรรมต่อไป นะของเราก็บอกว่ามีฉันทะกล้าในการอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกแล้วแม่ไม่มีความสุขเลยนะของเรามีหลายคนนะในห้องอนุมโมทนาด้วยนะแต่ว่าไม่มีใครยกมือนะของมาก็อนุมโมทนาเผื่อไปก่อนว่ามีฉันทะกล้าในการฟังการอ่านเนี่ยแล้วก็มีความรักอย่างลึกซึ้งในการฟังธรรมะต่อไปนะ คําว่าฟังธรรมะเนี่ยนะถ้ากล่าวว่าพระอริยะเนี่ยจะไม่เบื่อจะไม่อิ่มในการฟังธรรมอันนี้เป็นปกติของพระอริยะเจ้านะถ้าถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนี่ท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่เบื่อในการฟังธรรมแต่ไม่ใช่ฟังเด ร, รัชานคาถานะีแยกกันว่าไม่ใช่ว่าพอขึ้นธรรมาแล้วเรียกว่าฟังธรรมหมดไม่ใช่คําว่าไม่เบื่อในการฟังธรรมคือไม่เบื่อในการฟังอริยสัจเนี่ยนะว่าให้รวมๆเลยนะไม่เบื่อในการฟังอริยสัจนั่นเอง ข้อ3าบอกมีฉันทะกล้าในการกําจัดความอยากมีความรักอย่างลึกซึ้งในการกําจัดความอยากต่อไปนี่ะข้อ4ก็เหมือนกันนะคือมีฉันทะกล้าในการหลีกออกเล่นมีความรักอย่างลึกซึ้งในการหลีกออกเล่นต่อไปข้อ5มีฉันทะกล้าในการปรารบความเพียรและมีความรักอย่างลึกซึ้งในการปรารบความเพียรต่อไปข้อ6มีฉันทะกล้าในสติ เครื่องรักษาตัวนะคือสติสัมปชัญญะนั่นแหละและมีความรักอย่างลึกซึ้งในสติเครื่องรักษาตัวต่อไปก็เจ็ดมีฉันทะกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิซึ่งหมายถึงรักที่จะแทงตลอดหรือจะเห็นอริยสัจนั่นแหละมีความรักอย่างลึกซึ้งในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไปดูก่อนสารีบุตร วัตถุแห่งนิทัะเจประการนี้แหลถ้าประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ12ปีก็ควรจะเรียกได้ว่าภิกษุผู้นิทัศคือถ้าถ้ามีองค์ุณเจประการเนี่ยนะคือมีมีธรรมะเจประการนี่อยู่ในตัวปฏิบัติอย่างนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ12ปีได้นี้เรียกว่าภิกษุผู้นิทัศแต่ว่าผู้ไม่ใช่10เนี่ยนะก็ต้อ ง, ต, องต้องให้ให้ธรรมะเหล่านี้นะบริบูรณนะ์ ถ้าประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ24ปีหรือครบ36ปีหรือครบ48ปีก็ดีควรจะเรียกได้ว่าภิกษุผู้นิทะสระเนี่ยนะผู้มิใช่สิบบางั่นเถอะเนี่ยนะคือหมายความว่าถ้าท่านจะปรินิพพานในระหว่างนี้นะปรินิพพานวันไหนก็ชื่อว่ามิใช่สิบนะเพราะว่าผู้ที่ประพฤติบริบูรณ์อย่างที่กล่าวไปคือพระอรหรันตะ์เนี่ยนะไม่ตรงข้อสองตรง ตรงนี้นะมีในการพิจารณาธรรมเนี่ยตรงนั้นบอกว่าธรรมะนิสันติยาซึ่งอัตกถาอธิบายว่าเป็นวิปัสนาในในในนี้นะในทศตรสูตรแต่ในปฐมนิทศสูตรหมายถึงฉันทะกล้าในการฟังธรรมนี่ไงเอางี้นะว่าอ่เ ถ้าถ้าธรรมะตรงมันแล้วแต่จะคิดนะฉันผู้ที่จะพิจารณาธรรมเนี่ยท่าไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรมาเลยเอาอะไรมาพิจารณาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าบาทรของการพิจารณาก็คือการฟังนั่นเองนะต้องต้องไม่ลืมเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นสาวกเนี่ยนะเพราะสาวกก็ต้องอาศัยจากการฟังแต่ทีนี้คำว่าฟังก็ขอเขตแค่ไหน โสตาวัธาเนปัญญาสุตเมเยยานั่งนะสิบหกหัวข้อปฏิสามพิธามักแต่อ่านดูเถอนั่นแหละฟั ง, งาาอังคุดนี้ไม่ได้ไปดูบาลีว่าบาลีอะไรแต่เขาแปลมามม เ, เพราะว่าตามแปลแล้วไม่น่าแปลผิดแปลเพี้ยนนะก็น่าจะแปลตามพยัญชนะ คือมันใช่ทั้งสองอย่างแหละเพราะว่า อ, อ, อะไรเงี้ยว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยบุคคลผู้ฟังเนี่ยเป็นตัวกําหนดให้ใช้พยัญชนะอะไรเพราะเขาจะแสดงตามสิ่งที่เขามีอยู่ถ้าอย่างบางคนเนี่ยเขาฟังดีอยู่แล้วไปบอกว่าการฟังนี่สําคัญนะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าไปบอกในสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วก็ไม่มีความจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นบอกก็ต้องบอกว่าสาระจริงๆอยู่ที่การ การพิจารณานะไม่ใช่ฟังเอาไปเฉยๆอันนั้นหมายบุง้งพูดถึงคนที่เขาฟังมายังเต็มเปี่ยมแล้วแต่คนที่ยังไม่ได้ฟังอะไรมาเลยนะบอกไปพิจารณาให้มากๆเนีย น, นะมันก็ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าพิจารณาให้มากๆนะอันนี้ปฐมนิทศวัตถุประสปฐมนิทศสูตรส่วนทุติยะนิทศสูตรเนี่ยจะคนใดกันอันนะน คละตัวเนื้อหาธรรมะแตกต่างกันแต่แบบฟอ ร, ร์มคล้ายกันคือพระอนน์เนี่ยไปบินธบาะแต่เช้าเหมือนกันแต่ว่าที่เมืองโกสัมพีเนีพระอนน์ก็นุ่งแล้วก็เข้าไปในอารามของปริพาชกอัญญาเดรธีแล้วก็ฟังคํากล่าวมาเหมือนกันพระอนนก็มาทูลถามพระพุทธเจ้าอันะที่ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจหรือนอเพื่อจะทรงบัญญัติภิกษุพูดนิทัะด้วยเหตุเพียงนับพรรษาอย่างเดียวในธรรมวินัยนี้ คำถามเดียวกันแต่คําตอบไม่เหมือนกันนะนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานอนุ์ไม่มีใครใครอาจเพื่อจะบัญญัติภิกษุผู้นิทัศนะด้วยเหตุเพียงนับพรรษาอย่างเดียวในธรรมวินัยนี้ดูก่อนอนุน์วัตถุแห่งนิทัะ7ประการนี้เราก็ทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศนิทัศวัตถุ7ประการเป็นฉไนะดูก่อนอ น, อ น, อนุนพิกษูในธรรมวิไนนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอต ป, ปะเป็นพหูสูตร ปรารบความเพียรมีสติมีปัญญาอันนี้ยกสัจธรรมเจนะในวิชาจารณะเนี่ยนะจารณะ15เนี่ยมีสัตรธรรมอยู่7ข้อใช่ไหมตรงนี้ก็บอกว่านิทัาวัตถุคือสัตรธรรมเจ็ประการนั่นแหละศ ร, รัทธาหีริโอต ป, ปะพะหูสูตรวิริยะสติและปัญญาเนี่ยนะดูก่อน อ, น, อนุวัตถุแห่งนิทัาเจประการนี่แหละเราก็ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศ ดูก่อนอ น, อนนทภิสุผู้ประกอบด้วยวัตถุแห่งนิทัะเจประการนี่แลถ้าประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ12ปีก็ดีก็ควรจะเรียกได้ว่าภิกษุผู้นิทัศนะ24ปี36หรือ48ก็ในยะเดียวกันในอังคุธนี้ไม่มีอัตถาขยายเลยเนี่ยนะเพราะว่าผู้เรียบเรียงอัตถาทีขณิกายมัชฌิมนิกา ย, กายสังยุตอังคุตนิกาย น, ายนี่องเดียวกัน เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าจะอ่านมัชชิมนิกายให้เข้าใจนะไปอ่านทีคณิกายนะอ่านอัตกถาทีคณิกายมาก่อนแล้วค่อยมาอ่านอัตกถามัชชิมานิกายเพราะท่านถือว่าท่านอธิบายไว้ที่นั้นถ้าจะอ่านอัตกถาทีขณิกายให้เข้าใจบอกไปอ่านวิสุทธิมักมาก่อนเพราะงั้นเถอะเพราะว่าโดยมากขยายไว้ในวิสุทธิมักแล้วงั้นจะจะอ้างอ้างอ้างกันต่อไปเพราะผู้เรียบเรียงนี่เจ้าเดียวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสรุปว่า ไปเรียนทั้งเข้าไปิดกให้หมดนั่นแหละแต่ว่าโดยทั่วๆไปนะถ้าเป็นผู้แบบโบราณหน่อยเขาจะมีอาจารย์ประจำนิกายเนี่ยนะเช่น ท, ทีน ก, กะพาจารเนี่ยนะก็คืออาจารย์ผู้กล่าวทีขณิกายเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรอบรู้ในเรื่องทีขณิกายตั้งตั้งส4สูตรเนี่ยรู้ทุกพยัญชนะโดยที่สุดแม้จะสับวาสับมีความหมายขอบเขตยังไง รู้ดีหมดเลยทุกทุกสัมนวนวนะ่าทุกกระเบียดนิ้วทุกแง่มุมอ่ะนะสันวนว่าจะให้ท่านสาธยายขึ้นก็ได้สาธยายลงก็ได้เลือกเฉพาะสูตรเฉพาะข้อเฉพาะวักชำนาญบทแบบนั้นอ่ะนะนะมีอันนั้นเขาเรียกว่าทอีอาจารย์ผู้กล่าวทีคณิกายหรือไม่อาจารย์ผู้กล่าวมัชม 2, นน ช, นนมชิมนิกายร้อยห้าสิองอยห้สูตรเนี่ยท่านก็ชํานานมัชชิมนิกายทั้งหมดทุกแ ง, งม่มุมทุกพยัญชนะในนั้นอาจารย์ผู้แต่ช้านสังยุต แต่ิกา 7, รเนี่ยนะเจ็ดกว่าสูตรเนี่ยท่านจําชํานานอย่างหมดเปลี่ยงไม่มีเหลืออาจารย์ผู้ทรงอังคุตเนี่ยนะเก้ากว่าสูตรเนี่ยท่านก็ชำนาญหมดไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะส่วนอาจารย์ที่กล่าวคุตตะนิกายก็กล่าวเป็นคัมภีคำพีไปนี่ยนะแต่ฉานเฉพาะคัมภีคัมภีไปมันท่านจะรอบรู้ในส่วนคำพีของท่านนั้นผู้ที่ไปเรียนนี้เขาจะไปเรียนกับอาจารย์แบบนั้นเนี่ยนะที่ที่สมัย ท, ที่ที่มีอาจารย์บริบูรณ์นะเหมือนกับยุคนี้นะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาใช่ไหม มันก่อนฟังบอกว่ า, าถ้าคุณเป็นโรคผิวหนังไป ห, หาหมอผิวหนังเป็นโรคฟันไปหาหมอฟันเป็นโรคตาไปหาหมอตาเป็นโรคสรุปแล้วโอ้โหหมอทุก <c oughs> เกือบทุกส่วนนะมังที่ในในสรีระเนี่ยนะบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องนั้นๆๆๆแต่ว่าเรื่องอื่นไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้แต่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะอาจารย์แบบสมัยพุทธกาลหรือสมัยหลังนั้นๆมาก็ลักษณะเดียวกันแต่สมัยนี้ของเราก็ มีอาจารย์ที่เขาแปลพระไตรปิฎกไว้ให้เราอ่านนี่ก็ถือว่าโอ้โหมีบุญมากแล้วนะแต่เอาแค่นี้ก็พอนะก็สมควรแก่เหตุนะแสดงว่าตอนชาติที่แล้วทำอะไรไม่ค่อยดีแล้วอีกสูตรหนึ่งนะในวัด ใ, ในหมวดเจ็ดจะได้จบวันนี้เลยคือกำลังของพระขีณาสพเจ็ดประการซึ่งเป็นสัจชิกาตปาธรรม เป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งมากมากนะถ้าบรร ล, ลุธรรมะเจ็ประการนี้ได้ถือว่าสุดยอดทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าการศึกษาธรรมะอย่างไรเสียทุกสูตรต้องมองให้เห็นเป็นอริยสัตว์นี่เป็นวัตถุประสงค์เนี่ยนะเมื่อรู้เปว่าเป็นอริยสัตว์แล้วจะได้ทําไงจะได้ ท, ดดทดําออทกิกไจไง จ, นะจะได้รู้กิจว่าเออนี้ทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมักควรเจริญนะจะได้รู้กิจว่าอะไรเป็นอะไร แม้แต่กำลังของพูกขีนาศบทั้งเจ็ดข้อเหล่านี้ก็คือความสามารถในการแทงตลอดอริยสัจของท่านนั่นเองเนี่ยนะกล่าวว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายสังขารทั้งปวงเนี่ยอันภิกษุผู้ขีนาศบในธรรมวินัยนี้เห็นดีแล้วโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงข้อที่ภิกษุผู้ขีนาศบเห็นดีแล้วซึ่งสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยง ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้เป็นกำลังของพระขีณาศพที่ภิกษุผู้ขีณาศพอาศัยแล้วย่อมปฏิยาความสิ้นอาสวะได้ว่าอาสวะของเราเนี่ยสิ้นแล้ว น, นะสังขารไหนขึ้นมาเนี่ยนะไอ้ไม่เที่ยงท่านชนานาญมากอันนี้ยกอนุปัสนามาข้อเดียวใช่ไหเป็นตัวอย่าง น, นะว่าอนิจจานุปัสนาเป็นต้นในสังขารของท่านชนานาญมากท่านนะก็ทุกขา อนตานิพิธาวิราคานิโรธาปฏินิสกานุปัสนาเนี่ยนะในสังขารทั้งหมดท่านชํานาญมากเหมนกันครัก็อันนี้ถือว่าเป็นกําลังของท่านนะท่านจึงปฏิญาณว่าท่านหมดกิเลสได้อันนี้ข้อแรกไหเพราะว่าผู้ที่เจริญอนิจจานุปัสนาจริงๆก็อาจจะชํานาญเหมือนกันแต่ในที่นี้หมายถึงชํานาญแล้วก็ทํากิจอื่นๆด้วยอีกข้อหนึ่งกามทั้งหลายเปรียบด้วยลุ่มฐานเพลิง นะกามในที่นี้หมายถึงกิเลสกรรมเ น, นี่ยนะกิเลสกรรมที่ไปเพลิดเพลินในวัตถุกรรมเนี่ยว่าการทั้งหลายเปรียบด้วยลุมฐานเพลิงอันพระขีนาศพเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงข้อที่พิกูจน์ผู้ขีนาศพเห็นดีแล้วซึ่งการทั้งหลายอันเปรียบด้วยลุมฐานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้เป็นกําลังของพิกษุผู้ขีนาศพที่พิสูจน์ผู้ขีนาศพอาศัยแล้วย่อมปฏิญาความสิ้นอาสวะได้ว่าอาสวะของเรานี้สิ้นแล้ว เห็นชัดเลยนะว่าความเพลดิดเพลินในวัตถุทุกชนิดนี้เป็นเหมือนกับหลุมฐานเพลิงอะ น, นะของปกติทั่วๆไปนี้ถ้าถ้ามองแบบโลกนะนนเห็นตรงกันข้ามหมดเลยใช่ไหมโลกนี้ถ้าใครมีกิเลสกรรมมากคนนั้นมีความสุขมากใช่ไหมแต่ทางธรรมะนี่ถือว่าผมนี่มันหลุมฐานเพลิงชัดๆเลยนะถามว่าทำไมจึงเรียกว่าหลุมฐานเพลิง<ม>ก็ลองชอบวัตถุสักอย่างหนึ่งขึ้นมาดูเถอะ มันจะเหมือนหลุมฐานเพลิงตั้งแต่หนึ่งนนคิดวางแผนเพื่อสแสวงหานี่มันก็หลุมฐานเพลิงทางความคิดแล้วนะร้อนตั้งแต่คิดแล้วแล้วหลังจากนั้นอีกทุกในการสแสวงหาอีกในสแสวงหาก็ยังพอว่านะทุกในการกว่าจะได้ขึ้นมาพอได้ขึ้นมาอีกทุกอะไรอีกทุกเพราะการรักษานะก็ในนี้มีหลายท่านชี้ให้เห็นทุกอันนี้ชัดเจนมากคือทุกเพราะการรักษาเนี่ยนะ มีแล้วก็ไปเดือดร้อนกระสิ่งที่มีนี่แหละแล้วทุกอย่างอื่นอีกต่อไปนะทีนี้การระหว่างการรักษาเนี่ยโดยมากรักษาวัตถุเหล่านั้นด้วยกุศลหรืออกุศลโดยมากก็อกุศลเพราะฉะนั้นทุกในหลุมฐานทุกข้างหน้าอีคืออาบายอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นตลอดสายเลยว่าไอ้ฉันทราค่าอันนั้นเนี่ยมันมีผลต่อไปยังไงนะท่า น, นเห็นเหมือนหลุมฐานเพลิงอ่ะนะแหมร้ายกาดมากไอฉันทราคะอันนั้น อันนะั้ไม่ใช่อยู่ข้างนอกใช่ไหมอันนี้ตัวนนย อ, อยู่ภายในนะ<ใ>นเดี๋ยวไปเที่ยวฆ่าคนอื่นทิ้งหมดไม่ใช่นะอาจารย์นั่ลังถังเธอเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนขบูลสองคนจับปิงแล้วไปทิ้งไปแล้วไปโยนอยู่นะเดียวกันหรือเปล่าอันนั้นแหละกำลังใจนั่นแหละคือเห็นว่าไอ้ฉันธราฆาอันะนั้นอ่ะมันมีโทษแรงกล้าขนาดนะคิดดูนะท่านท่านเห็นโทษว่าไอ้ความติดความข้องความเยื่อยายเนี่ยมันร้ายกาจเหลือเกินนะท่านท่านเห็นแบบนั้นอนไะน ของเราก็ถ้าใครเห็นแบบนั้นก็อนุมโมทนาด้วยนะอีกข้อหนึ่งจิตของภิกษุผู้ขีนาศบน้อมไปในวิเวกโอนไปในวิเวกเงื่อมไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดียิ่งในเนกขมมะสิ้นสุดแล้วจากอาสวัตฐานิยธรรมโดยประการทั้งปวงเอานะว่าอารัมนาทิปฏิปัปจัยของพระอรหันเนี่ยนะคือนิพพานเนี่ยนะอารัมนปัจัยของพระอรหันเนี่ยคือ นิพพานนะไม่ไม่ใช่เป็นวัตถุธรรมดาทั่ ว, วไปเพราะจิตของท่านจึงน้อมไปในในพระนิพพานนะวิเวกในที่นี้หมายถึงนิพพานข้อที่ภิกษุผู้ขีนาศพน้อมไปในวิเวกโอนไปในวิเวกเงื่อมไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดียิ่งในวิเวกเอ่อในเนคขมะสิ้นสุดแล้วจากอาสวัตฐานิยธรรมโดยประการทั้งปวงนี้เป็นกาลังของภิกษุผู้ขีนาศ ที่ภิกษุผู้ขีณนาศบอาศัยแล้วย่อมปฏิยาความสิ้นอาสะวะได้ว่าอาสะวะของเรานี้สิ้นแล้วอันนี้นี่ก็เป็นนิโรธสัตว์นั่นเองเนี่ยนะจิตของท่านยินดีหรือโน้มไปในนิโรธสัตว์จะอย่างเดียวธรรมะที่ที่เป็นที่สิ้นอาสะวะนะธรรมะเป็นที่สิ้นอาสะวะหมายถึงนิพพานจนา้ะครับ อีกข้อหนึ่งข้อที่ภิกษุผู้ขี่นาศบอบรมแล้วอบรมดีแล้วซึ่งสติปทานสเนี่ยนะข้อ5ก็อินทรี่ห้าข้อ6อ 7, อ 8, ก็โพชงเจ็ข้อ8ปดก็ข้อเจ็ดนะอริยมรคมีองค์8อันภิกษุผู้ขี่นาศบอบรมแล้วอบรมดีแล้วข้อที่ภิกษุขี่นาศบอบรมแล้วอบรมดีแล้วซึ่ง miedo, อริยมรคมีองค์8นี้เป็นกําลังของภิกษุผู้ขี่นาศพที่ผู้ขี่นาศเนี่ยอาศัยแล้วย่อมปฏิยา ความสิ้นอาสวะว่าอาสวะของเราเนี่ยสิ้นแล้วนะสรุปว่าท่านเห็นทุกขสัตว์โดยความเป็นของไม่เที่ยงชำนานเห็นสมุทยัทยสัตว์เหมือนกับหลุมฐานเพลิงจิตเนียนน้มไปในนิโรศสัตว์อย่างเดียวแล้วก็อ บ, บรมสติประฐานอินทรีพระ อ, อินทรีโพชงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดนี้อยู่ในกำลังของพระขีาสพเจ็ดนะ แต่ที่อื่นเนี่ยจะบอกว่ากำลังของพระขีณาศกมีสิบอย่างสิบอย่างนี้เพิ่มอะไรขึ้นมาก็เพิ่มว่าท่านมีสัมมาประทานท่านมีอิทธิบาทท่านมีระละเพิ่มมาอีกสามนะโพธิปัจขยธรรมเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งคือสติประทานกลุ่มที่สองสัมมะประทานกลุ่มที่สามอิทธิบาทกลุ่มที่สี่อินทรีกลุ่มที่ห้าะละกลุ่มที่หกพ่อชองกลุ่มที่เจ็ดมรคนี่นะ ก็เจ็ดข้อแล้วใช่ไหมโพธิปกักหายธรรมสาิบเจ็ดถ้าเรียกเป็นกลุ่มก็เหลือเจ็ดกลุ่มทีนี้สามข้อแรกคืออะไรข้อที่หนึ่งก็ทุกขสัตว์ข้อที่สองสมุทัยสัตว์ข้อที่ 2, สาม 3, นิโรธสัตว์สรุปว่าท่านเป็นผู้ที่มั่นคงในอริยสัจทำกิจในอริยสัจอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์อันนี้เป็นกําลังของพระอรหันต์จริงๆเนี่ยนะที่ท่านปฏิญาณว่า อาสะวะของท่านคือกามาสะวะพวาสะวะทิฐาสะวะอวิชชาสะวะท่านสิ้นแล้วไม่มีส่วนเหลือเพราะท่านมีกําลังอันนี้เนะี่ยมนของเรานี้ใครมีกําลังหลังนี้บ้างนะคำถา ม, มาว่าใครหรือว่าใครนี้อ่อนแอเต็มทีนะในในสิ่งเหล่านี้นะอ่อนแอในการเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงอ่อนแอที่จะเห็นโทษของตันหาอ่อนแอเหลือเกินที่จะน้อมไปในวิเวก สติประธานอินทรีพร ะ, ระโพชฌงกกะพ่องกะแผงแสดงว่าอ่อนแอมากอางนั้นค่ะเพื่อนคนไม่มีกาลังไม่มีอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรนะก็ได้แต่หวังใจไว้ว่าสักวันหนึ่งเราจะมีเรี่ยวแรงอย่างนั้นอันวนี้ถามว่าถ้าเจริญอย่างนี้แล้วดียังไงหรือว่าเมื่อรู้กำลังของพระขีนาสพอย่างนี้แล้วดียังไง ดีตรงที่ว่าเวลาเราถวายทานแล้วก็นึกถึงกำลังเหล่านี้ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติเช่นนี้นะเนี่ยนะก็จะได้ให้ทานจะได้ทานอันนั้นจะได้มีผลมากมีอา น, นิสงส์มากเพราะว่าให้ทานแล้วก็เจริญสังขานุสติเนี่ยนะก็จะจะจ ะ, จะได้บุญมากในส่วนนั้นนั้นนะทานนั้นก็จะเป็นทานที่มีผลมาก นะธรรมะทั้งเจ็ดสิบดังพันนามา น, นี้เป็นของจริงแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นอันพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบเนี่ยนะนะอันนี้ถือว่าพระ อ, องค์ตรัสรู้แล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนเป็นอย่างนี้จริงๆนะนะถูกต้องไม่มีผิดพลาดเลยนะที่ตรัสรู้ที่ต้นพระศีมหาโพวังเันเถิดที่โคนต้นโพเพราะฉะนั้นถามว่า ใครที่จะไปพุทธคยาเนะเจริญอันไม่เป็นเลยอ่ะไปเนี่ยไปสาธยายทัสุตระสูตร550ข้อนี่แหละพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนี้บรรลุอย่างนี้แหละหลังนั้นจะจะได้จะได้จไดจเจริญถูกกันนะ